จเจาประสูติถึงข้อขาหนักธุิจเนื้หักธะกิกะกแต่ว่ามีธรรมะเขเย้ายกยอว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะน้าอาศัศจรรย์แปลกป ร, กรหลาดฟังไหมเผื่อเราก็จะเอาบ้างเนืเผื่อเราจะเอาาธรรมะน้าอาศัศจรรย์แปกระกามีอรเเดี๋ยวเดี๋ ย, จยวจาบไห้ฝังเนะ้ ปฐมอุคัศสูอุคัสุนปฐมอุคัสุนว่าด้วยคุณธรรมของอุคัคเคลื่อนหาบอดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวาลใกล้คูเวสาดีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกพิกษุททั้งหลายว่าพิกษุททั้งหลายภิสุทธทั้งหลายชูรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสว่าภิกสุทั้งหลายเลทั้งหลายจงทรงจำอุคคัตข้าพรบอดีชาวเมืองเวสารีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอศัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแต่ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคต์ครั้นได้ปรัสพระดำร์นี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พรามาิหาผู้แค่นี้แล้วก็เข้าไปพักเลย <c oughs> ครั้งนั้นเวลาเช้าภิกษุรุปหนึ่มนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่นิเวศของอุคคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีครั้งแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูวไว้ลําดับนั้นอุคคะคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหา้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้าง ทั้งแล้วพิสูจนั้นได้กล่าวกับอุคะคขเรือหะบอดีชาวเมืองเวสาหรีว่าคขหบอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรท่านว่าเป็นผู้ประกอบ ด, ด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการคขรืหะบอดีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการที่เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรท่านเป็นชนะอุกาะ อุคคะเคลืห า, า, าบอดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมก็ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กับผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปลประการดอกไหนแต่ขอท่านจงสอนธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปลประการของกับผมที่มีอยู่นี้จงใส่ใจให้ดีกับผมจับเรียนถวาย พิสูจน์ั้นรับคำอุกคระขนหาบอดีชาวเมืองเวสาลีแล้วอุกครขึ้นหบอดีชาวเมืองเวสาลีได้กล่าวว่าข้าแต่้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลเป็นครั้งแรกจิตของกระผมเรื่องสายในพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับการเห็นนั่นเองนี้แลเป็นธรมที่น่าอัศจรรย์ันที่หนึ่ง แค่เห็นพระพุทธเจ้ามันสัพพานเรื่มใสเต็มที่เลยเหมือนสมัยนี้เราเปรียบเทียบกับเราได้เอาถึงพระเจ้าเนี่ยตอนนี้นิพพานไปแล้วเราได้ยินได้ฟังธรรมะของเจ้าแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าเราเห็นพระหรือว่าครูบาจารย์เอามาสอนธรรมะให้เรามาสแสดงธรรมให้เราหรือว่ามาโปรดพวกเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกสัพพานเรื่มใสเกิด ค, ความปีติชื่นชมกินดอีอันนี้ บุญก็ไ ม, มอยเหมือนกันเนี่ยมันก็เทียบกันได้นะถึงพระเจ้าคนนี้พ่านไปแล้วก็ตามเราก็ถัดสามารถเทียบเคียงใส่เราได้ว่าเราฟังธรรมะของเจ้าแล้วเป็นยังไงเร า, อ, ารอ่านธรรมะของเจ้าแล้วเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าเราเห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอรู้สึกศรัทธาเรื่องใสขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแค่ศรัทธาเรื่องใสนี่บุญเนี่ยกิเนเป็นกับกับเลยนะ ที่มันจะก่อเกิดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญของเราซึ่งมันจะเป็นทรัพย์แก่เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรหรอกแค่จิตสัาเรื่องใสนี่แหละเนี่ยมากกว่าถวายทานเป็ร้อยเป็นพนเท่าเลยนะอย่างนั้นเลยนี่แหละจิตใจของเราเนี่ยมันสําคัญมากอันนี้เนี่ยอันที่จริงมันี่ก็สูตรหนึ่งเนี่ยพูดถึงขันหามวดีคนนี้อันที่จริงเขากำลังเมาอยู่เว้ยกำลังเมาแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าแต่งกา จิตมันก็เกิดความสทัทธาวเดินสายขึ้นมาโดยไม่รังเนยไม่สงสัยอะไรเกิดขึ้ น, นอันนี้ก็เป็นบุญอันหนที่เคยสะสมอบรมมาเป็นเหนตุเป็นปัจจัยนั้พวกเราเนี่ยทำมาถึงดั้งเดินมาฟังธรรมกลางค่ำกลางคืนแผนที่จะหลับจะนอนหรือว่าเสื่อมเสียในหางหรือว่าพักผ่อนหับนอนให้มันสบายๆเมื่ออย่งาง น, นั้นเนี่ยเราก็จะมารถทนนั่งล้างกพลัางแข็งหรือว่านั่งภาวนาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ก็นี่แหละเพราะความศรัทธาเรื่องใส่เพราะฉะนั้นเราฟังคนอื่นมันก็ต้องน้อมเข้ามาใส่เราด้วยถ้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเรื่องใส่แล้วได้เข้าไปนั่งใกล้พร ะ, พาาะผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอานุภูติกถาโปรดกระผมคือทรงประกาศทานนกถาศิลนกถาสักขกถา โทษของการอันตรสามสศร้าหมอและอาวิส่งในเนคขมัตในคราวที่พระมูคู่มีพระภาพเจ้าได้ทรงทราบกระผมว่ามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณบันเทิงของใยแล้วจึงทรงประกาศสามุตังสิการธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าข้างหลคือทุกสมุภัยนิโรมะเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากรอยดำดำ จะพึงรับน้ำย้อมไดดีแม้ฉันใดทำมาจากสุกอันปราศจากทุกดีปราศจากมูลทิมเกิดขึ้นแล้วแก่กระผมณนะที่นั่งนั้นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้แจ้งทำแล้วอย่างซึ้งฉุนทมแล้ว ข่านพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความแกล้งกล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของรัศาดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสว่าเป็นสัพณะแล้วและสมาธานสิขาบทอันมีพรหมจัก ร, รเป็นที่ห้าแล้วณนะที่นั่งนั้นน้แลเป็นธรรมที่น่าอาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สองของกระผมที่มี พอเห็นพระเจ้าสถาเริ่มใสเข้าไปหาหน่ยเข้าไปหาพระเจ้าก็มีพระเจ้าในทรงรู้อิยาศัยเวลาเทพโพรธฆราวาสเนี่ยพระเจ้าจะเริ่มทานนักขาผู้รื่องทางนกกาทาาอานิสงส์ของทานมาเองทานที่เราทำเนี่ยมันมีผลมีผลก็คือว่าทำให้เราเนี่ยได้รับผลเช่อยเย็นหวตายเกิดเนี่ยผลของทานอันนี้มันก็ให้ผล และโดยเฉพาะทำให้จิตใจหยุดเดิมบันเทิงเบิบานมีความสงบมีความสุขและก็เป็นสมาธิได้ใจตั้งมั่นอย่างเงี้ยอ่พูดถึงว่าเมตามเนี่ยมันให้ผลทั้งทั้งทั้งผลดีทั้งชาตินี้ชาตหน้าด้ไปเกิดบนสวรรค์อะไรได้รวมทั้งศีลศีลก็เหมือนกันศีลไทยปฏิบัติรักษาศีลเป็นสมบัติของตัวเองได้ททีเลยนะ ถาวายังไม่พ้นทุกเนียนบ่าตายเกิดก็ไปเกิดในคบภูสุขติภูมไิไปเป็นมนุษย์กเทวดาสูงขึ้นไปนจากนั้นพระพุทธเจ้าก็บรรยายถึงโทษถึงความสุขในสวรรค์ก่อนในสวรรค์มันสุขสบายยังไงสวยผลบุญยังไงอ่าเปิดเผยเจริญใจยังไงจากสุดท้ายก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังไม่พ้น ก, การเนียนบ่ายตายเก็เชี้ให้เห็นโทษของการมาคุ้มทั้งหลาย ว่ามันมันต่ำทรา ม, ามว่ามันทำให้คนหลงหลายติดข้องนะบนเวียนเวียนว่ า, ายตายเกิดเนะี่ยเกิดแล้วเกิดดีเกิดกแล้วเกิดดนะีมันก็ยังมีโทษมากแน้วก็อามีโสว่าถ้าเราออกจากกรรมเหล่านี้นะทางออกมาไม่ใช่ทิ้งมันนะแต่ว่าให้จิตใจเราหยุด อ, ออกมาจากมันใครๆรู้เห็นว่าเราเนี่ยเอามันมาใช้ประโยชน์ดได้ให้มันเป็นทาบเรา ไม่เราไม่เราได้ไปพิมพ์ภาพมันอีกต่อไปไม่ใช่ทิ้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคาว่าออกจากการมเนี่ยคำว่าเนี่ยขมัหมายว่าเรานึกถึงแต่ว่าออกบวชเนี่ยขมัหมายถึงจิตของเราเนี่ยมันออกมามันไม่ไปยึดไปติดไปข้อบทำใช้สอยมันด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยความรู้เท้าทานเนี่ยแล้วเมื่อพรทเ่าทรงเห็นว่าอินทรีย์แก่กล้าละจิตใจมันเริ่ม อย่างสมัครข้างในแล้วมีมีสติขึ้นมาแล้วสนใจตังมันแล้วพวกที่บําเพ็ญบุญสมมาจะเป็นอย่างนี้เขาได้ฟังตามไปตามลําดับตามลําดับจิตก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาข้างในเหมือนตอนนี้ถ้าใครถ้าใครมาถึงตรงนี้ก็จิตเราจะน้อมเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ามาดูดูการดีใจอตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเทศเทศอริยสัจสีอริยสรรัจสรรีนี่ถือว่าเป็นธรรมะเฉพาะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึงนี่ว่าสามุกังสิกาธรร ม, มาเทศนาะแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมของจอดทุกพระ อ, องค์เลยและจะเท่เหมือนกันเลยเริ่มต้นต้องทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีว่าเออต้องมรรคขึ้นก่อนอะไรอย่างนี้เวลาท่านตักเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยจะลําดับทุกสมุทัยนิโรธเลย ก, ก็มาจะเรียงตามลําดับอย่างนี้ในคราวที่พระพุท ผ, ผู้มีพระภาคจ่า ได้ทรงทราบกระผมว่ามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรนี่คือมีสมาธิจิตตั้งมั่นจนละนิวรทั้งห้าตัวนั้นบรรเทิงผ่องใสแล้วจึงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้ายคือทุกสุังขารมีโลภะาทุกก็คือจิตมันอย่างท้ามองดูเนี่ยกายกับจิตเรามีขันห้าของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเราเกิดดับมันอยู่ขอามันเราบังคับบัรชาไม่ได้เป็นแปลง เห็นมันเป็นธรรมิจจังคุข่างานัตตาเห็นว่ามันเผิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นเนี่ยมันเห็นด้วยจิตบางทีผู้เห็นเนี่ยอาจจะไม่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ความเข้าใจลึกซึ้งมันมีในจิตใจมันพอมันเห็นแล้วมันรู้สึกคลายมันจะรู้สึกจางคลายในจิตนี่แหละมันจะรู้สึกเบารู้สึกว่ามันไหนมันมันโล่งมันโปร่งมันบอกไม่ถูกเนี่ยเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกอยาก ย้ำลงไปอยากจ่อเข้าไปอยากจ่อเข้าไปเนี่ยอยากให้มันชัดอยากให้มันแจ้งอยากให้มันหลุดนี้แหละภาวะเหลา่านี้มั น, จ, นจะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากเข้ามาข้างในได้ไมันต้องเห็นเหมือนกันแต่ถ้าจิตของเรากําลังเนีไม่พอกําลังยังไม่พ อ, อ, พอเรายัางคำต้นๆอยู่อะยังพวกจิตไม่อยู่จิตยังไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้กําลังไม่พอเหมือนคนจะยกของหนักๆกํากลังไม่พอยกยังไงจะไม่ขึ้นก็ต้องออกฟิ เนี่ยต้องฟิกก่อนต้องออกกำลังกายซะก่อนให้ร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะยกได้คนไหนที่เขากําลังก็พอเขายกได้เนี่ยอย่างนี้หมูพวกเรานี่ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยธรรมะประเภทเหล่านี้มันก็มีอ่าต่อไปอีกนะจากนั้นก็พอบรรณเนี่ยที่พูดเมื่อกี้ขั้นตอนนี้บรรลุพสุวรรณก่อนแล้วนะเนี่ยที่พูดเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เป็นสารณะ เกิดขึ้นในจิตใจแน่นอนว่าศรัทธาเรื่องใจในพระเจ้าพระธรรมสงค์ไม่ไม่หวันไหวและสมาทานศิกขาบทอันมีพรมจรรย์เป็นที่5แต่อามีรู้สึกว่าสมาทานศิกขาบทแล้วก็ยังมีพรหมจรรย์ด้วยเนี่ยพรหมจรรย์ด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่าธรรมะของท่านอุคคะข้าน้าบดีนี้จะถึงระดับไหนที่ท่านทุ่งเอาไว้อันนี้เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ข้อที่2อง้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สคน ก็ผมได้เข้าไปหาประชาเข้าไปหาประชาบนบรีเหล่านั้นแล้วได้กราวกับเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายอันนี้หมายว่าเมียนะเมียมาประชาชนบรีรุ่นสาวสี่คนนี่หมายถึเมียนักธุรกิจมีเมียสี่คนคู่นี้ได้กล่าว ก, กับเธอเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายฉนะันสมาารศิษย์ข้าพันมีกรหาจรรย์เป็นที่หผู้ใดปรารถนาผู้นั้นจงใช้โคคาดเหล่านี้นและจงทํำได้ เดี๋ยวให้ใช้ทรัพย์ได้เลยและก็เอาไปทำดูได้หรือจะกลับไปสู่ตระกูลญาติของตัวก็ได้จะไปกลับไปตระกูลเดิมก็ได้กลับบ้านไปเไลยไม่เป็นหรือประสงค์ใฉันก็จะมอบให้แกเขาเมื่อกับป้กล่าวอย่างนี้แล้วประชาบชีคนแรกได้พูดกับกับผมว่าขอท่านได้ปรุนามอบดิฉันให้แกชาชื่อนี้เจ้าค่ะกับผมก็ได้ ก็ให้เชิญชายที่นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาบอดีมือขวาจับน้ำจับเต้าน้ำหลั่งน้ำมอบให้ชายคนนั้น mm. ก็เมื่อบริจากประชาบอดีสาวเป็นอรมกับผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แลเป็นธรรมที่น่าสักจะอาจไม่เคยมีมาข้อที่สามของกับผมที่มีอยู่นี้ไม่ว่าเอาเมียให้คนอื่นได้สบายเลยนี่แสดงว่าต้องอนณาคาร์มีแนละ้วรักษาคมปจังเลย ไม่เกี่ยวข้องกับการกับเพศสัมพันธ์อีกหรอกต่อไปแล้วในครองเดินแล้วยกเมียให้คนอื่นได้สบายๆแล้วที่น่าอัศจรรย์ตอนยกเมียให้จิตไม่มีคําว่าป่วนแปลเลยแต่ผมไม่รู้สึกว่าจิตแปลป่วนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แหลเป็นความที่น่าอาจจัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สามของกระผมที่มีอยู่ข่าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีพ่อข้ัพย์อยู่มาก และพวกข้์เหล่านั้นกระผมแจกจ่ายชั่วไปในผู้มีศีลมีกรรยมามธรรมนี้แลเป็นธรรมที่น่าอาศัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สของกระผมที่มีอยู่เรียกว่าไม่มีความตณีที่เนี้ยเลยขออย่างเนี้ย ว, ว่าให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอันดีงามอันถูกต้องแล้วก็กล้าทอที่จะบริจาคได้สบางเลแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรม ก็ให้ไม่ลงนะไม่ใช่ว่าให้ชั่วไปนะอย่างที่ว่าไม่ตณเนี่ยต้องมีปัญญาด้วยนะสมควรให้ถึงจะให้ว่าถ้าสมควรให้แล้วให้ชนิดที่ไม่เสียดายอันนี้เป็นคุณธรรมของพระเยซูเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มีทาําข้อประเพยนี้นะข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดกับผมก็เข้าไปหาโดยความเข้าวิทีเดียวอันนี้ทิงจะเป็นโยมก็ตามบรรลุธรรมแล้วก็ตามเวลาเข้าไปหาพระ ก็ต้องเข้าไปด้วยความเคารพไม่ใช่เข้าไปหาโดยความไม่เคารพนี้แลเป็นธรรมที่น่าอาศาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่ห้าของกับผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญหากท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมแก่กับผมกับผมก็ฟังโดยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังโดยความไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมแก่กับผม กับผมก็แสดงธรรมแต่ข่านั้นนี่แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หมาของกับผมที่มีอยู่เนี่ยอันนี้คือคือเข้าไปหาพะแล้วถ้าพระแสดงธรรมก็จะฝ่าด้วยความเคารพส่วนใหญ่ถ้าใครมีธรรมสูงกว่าก็จะแสดงธรรมแต่ถ้าธรรมน้อยกว่าก็จะนิ่งฝัาสบัยก่อนก้าเคารพข้เคารพธรรมกันข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้าไปหากับผมแล้วบอกว่า ขาเบอดีทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าจับดีแล้วเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วกับผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่พึงบอกอย่างนี้ก็ตามแทนที่ถึงทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าจับดีแล้วแต่กับผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุที่เทวดาทั้งหลาย มาหากับผมหรือกับผมได้ปลาัยกับเทวดาทั้งหลายนี่แหลเป็นธรรมที่น่าฮาักศจกรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่เจ็ดของกระผมที่มีอยู่เทวดามาหาก็ไม่ได้อาศจัญอะไรเลยอ่ะไม่แปลกประหลาดอะไรหรือจะมา ก, กาวถึงพระพุทธเจ้ายังไงก็ไม่แปลกประหลาดไม่น่ า, าัศจกรย์แต่อาศจัญที่ใจของตัวเองไม่ฟูเลยแต่กระผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมา แต่เหตุที่เทวดาทั้งหลายมาหากับผมหรือกระผมได้ปราศัยกับเทวดาขั้งหลายคือไม่ได้ฟูใจเลยที่เทวดามาหาทีไ่ได้พูดคุยกับเทวดานี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่เจ็บของกระผมที่มีค่าแต่ท่านพูดจเจริญกระผมไม่พิจารณาเห็นสังโยชน์ลายๆในโอลัมพาทียสังโยชน์ห้าอันนี้หมายถึงสังสัโยชน์เบื้องต่ำโอลัมพาคยาสังโยชน์ห้าหมายถึงว่า พระสมเด็บัลลัได้3คือสักระยะที่จิตวิจิกิจฉาแล้วก็สีลับภตตาปรามากแล้วก็ปฏิบัติต่อมาอีกบรกรลุสกทาคามีละความโลภโลภกดหลงบาวางจนกระทั่งสามารถละกามราคะความยึดติดในรูปเสียงติดลดสัมผัสรวมทั้งปฏิฆะเวลาไม่ได้สิ่งเหล่านี้มามันเกอปฏิฆะขึ้นมามันเกิดความโกรธความเลืองความขุ่นข้างหมองใจ มันรักได้ห้าอย่างนี้รักได้อันนี้เรียกว่าสังโยชนเรื่องระดับระดับพระอนาคามีลักได้อันนี้ท่านประกาศตัวว่ามีท่านบรรลุพระอนาคามีข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมไม่ที่นาเห็นสังโยชน์ไร่ในโอลัมปาคียสังโยชนห้าที่พระพุู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วนั้นว่าอย่างรักไม่ได้ในตนนี้แลเป็นธรรมที่น่าสัศจรร์ อันไม่เคยมีมาข้อที่แปดของกระผมที่มีอยู่ขาาแต่ท่านผู้เจริญทมที่น่าอาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการของกระผมที่มีอยู่นี้แลกระผมก็ไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณกระผมว่าเป็นผู้ประกบอบด้วยธรรมที่น่าอาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเหล่าไหนลำดับนะั้นพระผู้มี ลำดับนั้นที่สุนันั้นรับบินทบาทในนิเวศของอุกคัตเครือข่าบอดีชาวเมืองเวสาดีแล้วลุกจากที่นั่งบอดีไปภายหลังพัดกลับจากพินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจากทิวที่ประทัดถวายบังคมแล้วนะันงะณที่ควรส่วนทั้งครั้งแล้วได้กลาวทูลคําสนทนาปลาสายกับอุกคัตเครือข่ายบอดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแดบบ่พระผู้มีพระภาคจาก พระผู้มีพระภาคจออ้าตรัสว่าทิกศถูกแล้วถูกแล้วอุคัตขึ้นหักบอดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรพึงพยากรตามนั้นโดยชอบทิกษศเราพยากรอุคัคขึ้นหักบอดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอาัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแต่ประการนี้แลและเธอทั้งหลายจงทงจําอุคัตคึ้นหักบอดีชาวเมืองเวสาลีว่า เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ท่านไม่เคยมีมาแปลประกลาดนี้มีโยมเขาฟังธรรมของพุทธเจ้าเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสฟังธรรมปฏิบาาัติธรรมอันนี้ก็สามารถบรรลุผลได้แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยพวกเราอยู่นี่ก็มีนักธุรกิจหรือว่าประกอบอาชีพกันทางนั้นแหละเนี่ยเราได้ฟังธรรมกันก็เป็นความของพระพุทธเจ้าแั้วนะ โดยทั้งบทสวดบดอะไรนั้นมีคำแปลร้องเลยนะพัะสูตต่างๆอยู่ในนั้นก็เยอะเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นบทสอนกรรมฐานโดยตรงเลยบทที่ทำให้เรามีสติมีปัญญาได้พ้เราเ่าไปเอาไปปฏิบัติตามพิจารณาเห็นตามเนี่ยจิตใจเราพอมันเห็นตามแล้วมันก้ปอยวามันก็เหมือนกมหมดอ่ะเห็นแล้วมันอยากจะยึดมั่นถือมันไม่ได้ ถาว่ามันเห็นของจริงมันเห็นความจริงถ้าปฏิบัติถูกต้องตรงทางแล้วมันต้องเป็นไปเพื่อเบืหน่ายคาราทั้งหมดถ้าปฏิบัติทำแล้วยึดโนม้ยนมยึดนีมากมายตัวตนก็เยอะเกี่ยวทะเลเบาเอง ก, กับคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่แล้วทีเนี่ยเพราะว่าธรรมะของพี่ย่ามันต้องเป็นไปเพื่อขัดเกล้าเพื่อแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมามันจริงจะถูกต้องแล้วธรรมะที่ที่ ในสมัยพระพุทธเจ้าสาวกขององค์ปฏิบัติมาอย่างไงเดี๋ยวนี้เราก็ยังปฏิบัติกันอยู่โดยเฉพาะโค ท, ที่ปรัชญาธรรมสามสิประการเริ่มตั้งแต่สติปมาทานสี่สมาทาน4อิปฏิบัติสเนี่ยจกนกระทั่งริมักมีองแนี่แหละพวกนี้แหละทำเดียวกันเลยแล้วเวลาปฏิบัติก็ให้จิตของเราเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปรู้ความจริงเพราะว่าปฎิทานในขังธ์ทั้งห้นี่แหละคือตัวทุกข์ เพราะนั้นเป้าหมายมันมีนะในเมื่อเป้าหมายมีเราก็ต้องเดินให้มันตรงเรายังถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้ว่าสุดท้ายเราจะต้องเข้าเห็นความจริงมันเพ่งจะปล่อยวางได้อ้ายังไม่เห็นเราก็ต้องปฏิบัติในขั้นตอนที่เราเรากำลังปฏิบัติอยู่นิดก่อนอย่าเพิ่งดิ้ร้อนเนี่ยพอมันเริ่มเห็นแล้วก็ต้องเห็นแล้วเห็นอีกเห็นบ่อยๆเห็นเนืองเนืองแจ้งแล้วแจอีกชักแล้วชักอีกจนมันเพียงพอ เพียงพออริมารมสมบูรณ์มันก็ประทับจินได้คือถ้ามรสมบูรณ์มันก็จะเห็นคือตัวเห็นนี่มันจะไปเห็นอะไรมันก็เหนก้ยสว์สิ่เนี่ยทุกคนม่ต้องเห็นเงื่อนไขเห็นว่านี่แหละนามการใจเรานี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันต้องเห็นแบบทีนี่นันี่จงทุกขังอนัตตาสุดท้าจะคืออตตาม่เยมันจะดินชัดที่มาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นธรรมะอันเดียวกัน ที่เราได้ยินในอยู่ในปัจจุบันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกของเราและก็สามารถบรรลุ ธ, ธรรมกันขึ้นอยู่กับว่าความเพียรความพยายามมุ่งมั่นบ่าบาปอดทนที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจิตใจเรามีกํำลังมากไม่ใช่ไหนนะวันนี้ก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายแค่นี้นะลองจะได้ปฏิบัติกันมากๆตอนนี้ก็ ประมาณสองทุ่มสองสามนาทีวันนี้เราจะลองนั่งหนึ่งชั่วโมงเลยนะลวดเดียวถ้าใครเข้มแข็งก็องลองไม่ขยับนี่ทดสอบเลยแค่ชั่วโมงเดียวมันจะตายยังตายเลยเนะเพราะว่าจิตเราจะได้เห็นความจริงโดยเฉพาคนไหนที่กลัวความเจ็บความปวดเนี่ยทดลองบางทีใจมันกล้าหาญขึ้มามันไม่กลัวนะ บางทีมันเป็นแค่ความกลัวความกังวลความไม่สู้เชื่อ่ะต้องฝึกจิตเราให้มันเป็นจิตใจที่เป็นป น, นักต่อสูดสดอ้ด้วยต่อไปให้ปฏิบัติกันตมานตมลำพังนะ